มีแต่เรื่องที่จะพูดโุกังฟังแปดหมสี่ันอย่างที่อยู่ในกายในใจเราเนี่ที่มีโทษได้มีประโยชน์ที่ถูกและผิดถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้ไม่มีใครบอกเราเราไม่เคยทําไม่แจ้งมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ ประกอบด้วยดูด้เห็นสิงที่เป็นปัญหาก็หมดปัญหาไปเป็นปัญญาไปสิงที่เป็นทุกข์เป็นโทษลูกแช้่อก็เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการชชีวิตของเราไปได้มีสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่สุขที่ทุกข กับการใช้ชีวิตของตนเกี่ยวกับภายในภายนอกภายในคือร่างกายจิตใจเราในตามีหูจมูกลิ้นกายใจภายนอ ก, นอ ก, นอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆเราก็อยู่กับโลกแบบนี้มีรสชาติตามสมมุติปัญญาตของโลก ต้องปฏิบัติธรรมคือต้องผ่านร้อนผ่านหนาว่านสุขผ่านทุกข์ไม่เป็นอย่าไปจนต้องผ่านให้ได้หลบลีกไม่ถูกเหมือนกับเราหลบภัยอันตรายทั้งหลายถ้าไม่รู้จกักหลบลีกมันก็เป็นอันตรายอีกข้างสิบป่า ดีคนว่าร0อยเส้นพอรอนท่อนสอนรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วก็สอนตนอ่านหลบวันหลีกนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเองแล้วก็ใช้ให้เป็นการใช้กายใช้ใจการใช้สมมติใช้บัญญตัติใช้วัตถุต่างๆใช้ให้เป็น ปุะตูนี่มีค่าก็ใช่เกิดประโยชน์วัตถุที่เป็นโทษก็มาต้องใช่เกิดโทษหลบลีกได้ เ, เราไม่เงินได้ไม่เป็นก็มีโทษมีเงินไปชื่อเหล้าจีนไปชื่อบุรีสูบเกิดโทษเกิดภยัยแกเราเองมีเงินไปซื้อข้าวปลาอาหารมาจีนก็เป็นประโยชน์แก ต, ตัวเราละ คนอื่นใช่เหมือนกันเงินทองธนมัตรเป็นสมบัติบัญญัติไอ้นี่ได้ตามกฎหมายแต่ใช่ผิดก็เป็นโทษเกิดโรคภยยัยไข้เจ็บได้อะไรก็ตามแตนใช่ไม่เป็นก็เป็นโทษใช่กายไม่เป็นก็เกิดโทษใช่ใจไม่เป็นก็เกิดโทษ ปฏิบัติธรรมคือมาหัดใช้กายใจของเราให้เกิดประโยชน์วามหลภแท้มาเป็นประโยชน์วามทุกข์แท้มาเป็นประโยชน์กรมื่อะไรที่เป็ปัญหาออกมาเป็นปัญญาถ้าใช่ไม่เป็นก็เถินตรงถิดตรงทุกข์ก็เป็นทุกข์เรื่อยไปรับบาป โง่ไม่รู้จอดโกรธก็เป็นโกรธเลื่อยไปเอามาเป็นทุกข์จะใช่ไม่เป็นเอาความทุกข์มาเป็นมรรคผลให้ผ่านได้เอาความทุกข์มาเป็นทุกข์ได้อดใช้นินเทสนเฉินมีการได้การเสียมีสุขทุกข์มีผิดทุกมี เห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่เราก็ให้เป็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้อยู่ด้วยกันนั่นถ้าไม่มีโอกาสหลงก็ไม่มีโอกาสรู้ก็ไม่ทุกข์ก็ไม่มีโอกาสกากกราสู้เอามาเป็นประโยชน์แบบนี้ถ้าพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยประการเช่นนี้พระเจ้าได้ตรัสรู้กับเรื่องนี้ ถ้าเราใช่ไม่เป็นก็พลาดไปความหลงก็ฟรีไปหลงจนตายควาทุกข์ก็ฟีไปทุกข์จนตายความโกรธ ก, โก็โกรธไปโกรธจนตายยิ่งพวกพูนขึ้นเป็นนิสัยเป็นจริตเกิดนิดๆหน่อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ขีดก้านเดียวเกิดเป็นไฟลุกไม่ทั้งเมืองได้ อารมณ์ของเรานี่ยไล่กเสือทำลายชีวิตของผู้คนมามากเสือว่ามันล่ไม่เห็นกัดใครแต่มีไม่มากไม่ไม่นานมานี้พะระไปอยู่ในป่าตัวหลวงในป่ามีเสือชมมีห ม, มีมากมีหมีมีเสือเอาพระไปในป่า ต้องตามหาใช้เฮลิคอปเตอร์ตามหาหมดกันเป็นล้านๆปนัญหาที่พระ ก, ก็อยู่ในป่าก็จะหาพบมันเดินไม่ได้เสือเอาไปหมีเอาไปนี่ก็เลยว่ามีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอารมณ์ของคนนี้มีแทบทุกวันไม่อยู่กับทุกคนนี้ไม่พ้น เราไม่ได้เข้าป่าก็าไม่ถูกเสือกกิดอารมณ์ของเราเนี่มันไม่ได้อยู่ที่นที่ป่ามันอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราซ่อมไรยควมดีผู้ผู้แพร่แพรบางทีก็หลบไม่เป็นหลีกไม่เป็นยอมรับเป็นธาตของความหลงความโกรธความทุกข์ป่อยเพียงแต่ความคิดก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับแล้วกินไม่ได้แล้ว แม้จะอยู่ในป่าในตรงที่ใดอยู่กับใจของเราอารมณ์ไปเป็นคู่ของจิตแต่ไม่ใช่จิตเราก็นึอว่าเราชอบไปยึดเอาเพราะไม่รู้ไม่ได้ศึกษาแต่เรามาศึกษามาดูาเห็นมันเนี่ยตอนที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องมีตาเพราะนันเรามีตาถ้าจะเห็นอะไรต้องลื่นตาดู มีวิญญาณทั้งตาตาไม่บอดกนเราก็เหมือนกันมีสภาพที่รู้ตาภายในของเราเราจึงมาเลือนตาการเลือนตาคือนี่แมีสติสัมปชัญญะเนี่ยดูลอบลกให้มันเกิดขึ้นจากภาวะที่เห็นเห็นกาย เป็นปัจจุตังเป็นปัจจุบันไม่ฟรียกมือขึ้นก็รู้เห็นอะไรที่เกิดเวลามันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็รู้เท่ารู้ทันเพราะเรามีตาอยู่แล้วเห็นความหลงไปความรู้เอาใช่หลักนี้ไปอย่าหลบหลีกมันหลงเป็นมันทุกข์เป็นมันสศกเป็น ไม่ใช่หลบหลีกหนีไปอยู่ที่ใดนินทาสรนเสริญโศกทุกมีในกายในใจเหล่านี้อย่าโลบหีกเปลี่นเพื่นั้นละเหตุเกิดที่ดใดเชื่อตรงนั้นร่วมหลงอยู่ที่ใจแช่ความหลงความหลงอภจิ่ตาแช่ความหลงไม่มีความรู้สึกตัวแช่ได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้า จหมยประกาศพุทธชาสรสารใหม่ๆ ม, มีแต่คนดา่าไม่มีใครยกมือไหว้เลยไม่เจอตาแล้วก็ประมาทไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาจนพระอนนเป็นผู้ติดตามเป็นปุถุชนจังเดือดลด้นจนผู้เจ้ากับบ้านเราเธอกับบ้านเราเธอ จะไหนมีแต่คนดา่าเราจะไปไหนลราโน่นไปโน่นคงก บ, บิลภัทบ้านพ่อเราโ น, น่นถ้าไปบ้านพ่อเรากป็คนดา่าจะไปไหนอีกเอเกิดชื่อต้องแก้ที่นั้นที่ไหนคนไม่เินทาฉันเสริญไม่มีมีผิู่ทุกแง่แม้แต่ในตัวเราก็มี สุกๆ ท, ท, ทุกเราต้องแก้เหตุเอตุธรมหมายเหตุปพว่าเปลี่ยนที่เหตุมันหลองเปลี่ยนเป็นรูเนี่ยทำได้ไม่ใช่ไม่มีใครทำมาได้ถ้าใส่ใจสักหน่อยเพียนสักหน่อยเพียนประกอบเวลาเราประลบความเพียนให้พอใจนิสติขยัน อย่เห็นเจนอนอย่าเห็นเจนอ น, อ เ, น เ, จเล่นอย่าปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตถ้าไม่มีขอบเขตไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดไม่ควรพูดอย่าไปพูดไม่ควรทํำอย่าไปทำตัวตนสอนตนจะเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่อยากค่อยดีค่อยเห็นแจ้งขึ้นมาหลงทีใดลู่ที่นั้นเอาเออกไปมามาชำนาญในความรู้ แต่ก็สู้ความหลงไม่ได้ความหลงพาไปเมื่อนถาพี่น้องชาวจีนตอนนัดทีมองเยนสอนธรรมะทุกวันมันมีอะไรมีปัญหาอะไรหมายก็ภากนันเงียบอยู่ถ้ามีอะไรมันหลงไหมงยวงนอนไหมแล้วก็วมี ทำง่วงนอนทำงานไปเมืองกินจีเที่ยวแล้วกลับบ้านจีเที่ยวแล้วหลงไหมเ้าบอกว่าหลงเอาความโกรธมาด้วยไหมเอาความรักมาด้วยไหมเอาคนที่รักมาด้วยไหมเอาคนที่โกรธมาด้วยไหมแปล ว, ว่ามีเหมือนกันแต่เวลามันหลงตรงไหนก็เปลี่ยนตะลู่ตรงนั้นจองจะเรียกว่าปฏิบัต ถ้เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไม่เป็นเรีวยกว่าไม่ใช่นักปฏิบัติปฏิเสธไปได้คนเราบาที่เราสอนคนห่ะให้เป็นนักปฏิบัติเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเราก็หมวดปัญญาเอาปฏิเสธสุขก็ของเขาสุกทุกข์ก็คือเขาทุกข์บรหนาเรีวยกว่าปุถุโอตโยชน ถ้ากันละญาณนะปุถุชนพอฟังกันได้น้อมใจฟังดูสักหน่อยอาจจะถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องออบประขอบลองดูเนี่ยจะเป็นปุถุชนปุถุกนหนามีหูก็ฟังในตาก็ดูมีหัวฟังในใจก็สัมผัสอารมณ์ลองดู เราก็อารมณ์ร้ายอารมณ์ดีให้เห็นแจง้งจะหลงความสุขจะหลงความทุกข์ย่อยสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ให้เห็นเนี่ยปฏิบัติธรรมเห็นมาดูพระเจ้าพูดถึงเรื่องเห็นอย่างเนี้ยมาใช่เรื่องอะไรเห็นธรรมเห็นความหลงเห็นความรู้ใช่ได้แต่เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ใช่ไม่ได้ เห็นมันสุขเห็มันทุกข์ใช่ได้ถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ใช่มาได้เห็นตรงสุขที่ใดก็สุขตอนนั้นทุกข์ที่ใดก็ทุกข์ที่นั้นนั่นไม่ใช่เห็นธรรมไม่ได้ประโยชน์จาก็สุขคมทุกข์มันผิดก็รู้เห็นมันผิดมีกันทุกคนอยู่ดีดี เสียงเท้าหัวเชี่ยนหนัเหาสีหัวหัเรื่องก็เกิเป็นความกลางวันเป็นเปลวใช่ไม่ได้อยู่แบบมีเจ้าของอย่าเถือนกายเถือนใจเถือนให้เขาหอบเพียวไปก็เกิดว่าฝันกลางวันว่าคิดเวลานอนก็ไม่ได้นอนมัวแต่ฝัน ชิ้นเปลงพลังงานเนี่ยเราจะทำไงจะไปเฉียได้ยงไงถ้าเป็นสอนตัวเองถ้าไม่ประขัดตัวเองเราก็เป็นโทษต่อตัวเองถ้าประขัดตัวเองได้ก็เป็นประโยชน์จากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวธรรมเป็นอินเป็นพรมเป็นพระสงฆ์สุด ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติต่ำลงไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสนกเด๋ยวฉานเป็นภูมิที่ไปเจริญมีในโลกนี้เหมือนกันตวาชั่วก็ได้ผลความชั่วติทุกข์ติดลางตลาดชีวิตจนไม่มีแผ่นดินอยู่ก็มีอย่างอดีตรัฐบาลไทยต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่น มีทรัพสมบัติมหาศาลแต่จะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษได้มีไม่เป็นแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราทุกอย่างมีตัวบทกฎหมายมีความถูกความผิดถ้าไม่มีความถูกความผิดเราก็อยู่กันลำบากมีศินมีวินยัย แม่แต่สอดกมีระเบียบมีวิไดมีหัวหน้าเคยเรื่องวัวเรื่องควายผงใหญ่หลายตัวแล้วก็มีหัวหน้าเรียกว่าจ่าผงเวลาเราไล่มันลงห้วยข้ามห้วยมันก็ดูดูท่าที่มันข้ามที่มันลงมันก็มองไปดูท่าที่มันขึ้น แต่น้ำไหลเขี้ยวเราทําะไ้มันก็ดูแล้วมันมองทางลงไม่ปลอดภยัยตัวมันจะลงได้แต่ลูกน้อยหลานเล็กมันก็มีมันก็มองถึงหนฝุ่นของมันมันไม่ยอมลงแต่ไล่อย่างไงก็ไม่ลงวันปิ้งผ่านมาถึงค่อนเธอไม่เดียวเราตีมันก็ยังหนีไปเราไปลูกมันแต่มันรู้ กามันก็จะลงได้มันพอจะขึ้นได้ลูกน้อยของมันมันก็ข้ามไปได้บางทีจะไปออกจากคอกถ้าหัวหน้าไม่ออกจาาผงไม่พาออกลูกน้อยมันก็ไม่ออกถ้าจะเข้าคอกถ้าจาาผงไม่เดินหน้ามันก็ไม่เข้ามันเป็นหัวหน้าเหมือนกันเวลาไปล่าเฉดคนเดินจ่าผงอีกตัวหนึ่งคือห่วยถึก ต้องป้อง ไ, ไม่ให้ข้ามไปเขตเขาต้าไปเขตเขาหรือว่าผิดระเบียบของสัตว์ป่าเขาก็มีระเบียบเหมือนกันแต่ก่อนเน่หลงตาอยู่กับจลาไก่จลาไก่มีไก่ป่าเยอะแย ะ, ยะแล้วก็มีสองผงผงหนึ่งทางทิศใต้ผงหนึ่งทางที่เหนือจลาเวลาเราเอาข้าวให้มันกินมันก็ เวลาหวานไปทางทิศเหนือทางทิศใต้ก็ไม่กล้าไปถ้าไปแล้วผงจาะทางทิศเหนือก็ไล่กลับมาตัวเล็กก็ไล่กับตัวใหญ่ได้เขายองผิดพลาดถ้าผมถ้าหวานไปทางทิศใต้ทางทิศเหนือก็ไปกินมาได้ถ้าไปก็เขาก็ไล่กลับมาต้องยอมเขาตัวเล็กก็ยอมตัวใหญ่ก็ยอมตัวเล็กได้ แต่ทำไมมันเกิได้กินด้วยกันอยาให้มันสมานสมาชีกันฮะถาหวานไปทางด้านที่ต่ามดออกพอหวานไปด้านที่ต่ามนออกมันก็รู้นะก็ไปกินกินด้วยกันนี่บางทีคํามีระเบียบไก่ป่าให้ขันได้ตัวเดียวในป่าแต่และจ่าขันได้ตัวเดียว ถ้าตัวไหนขันขึ้นมาถ้าตัวจ่าผงก็จะต้องวิ่งตามเสียงไปมันใครมาดังอยู่นี่พอเห็นเราก็ไล่ตีกันเลยไล่ตีกันเลยบางทีฆ่ากันตายนะไก่นะ่ะไก่ปลาเนฆะ่ากันตายเลยไล่กันทั้งวันนะ่นนะเต่ถ้ามีระเบียบขันได้ตัวเดียวที่เป็นจ่าผงตัวอื่นห้ามขันจึงมีผานป่า ไปต่อไก่ถ้าเห็นไก่ตัวไหนขันเก่งๆทีทๆอยู่จะแสดงว่ามันกําลังขึ้นมีอำนาจเก่งก็สามารถขันตลอดเวลาถ้าเอาไก่ต่อไปไก่ต่อก็ต้องขันเหมือนเอาไปดักไว้ในที่เขดไก่ป่าที่มันมีเจ้าผงที่มันขันอยู่พอไก่ต่อไปโผลไว้เราก็ดัก เหี้ยวอยรอบๆใช่ไหมเวลาไก่ต่อมันขันขึ้นมาไก่ป่าที่เป็นเจ้าของอดู่ใครมาดังที่นี่วะตีมาจากไหนเหมือนแจ้งนักเลงในาีย ต, ต, ต่างๆจะวิ่งไปหาเอาวิ่งไปไก่ตอก็ขันท่าอยู่ไปป่าก็โกรธอยงหนักวิ่งกัาไปใส่แต่อะไรเห้นนีออกจากที่นี่ อาวิ่งเออไปมไม่แม่ลราันระวังไปติดบ่วงเขาถูกบ่วงเขาเขามานเอาไปฆ่าจิ้นตายนี่ก็เหมือนกันนั่นก็มันจึงมีต่อไก่ต่อนกต่อช้างขึ้นมาเพราะมันเป็นเขตของไข่ของมันอันเราไ่บ้านเรือนคนไปล่ำที่ของเราเราก็ไล่ อ, ออกได้ สิทธเนี่วยเรียกว่ามันก็มีขอบเขตแบบนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์แต่บางทีก็มนุษย์ดิเถื่อนกว่าสัตว์ดุอำนาจไม่เคารพสิทธิของคนอื่นก็มีทำให้เกิดการทะเว่ากันทั้งประเทศเงินมีทองมีอํานาจหลไรจะไปใช้ทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องเป็นธรรมไม่ควรม็นธรรมให้เกิดขึ้น ไในตัวเราก็มีความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมหาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้แล้วเมื่อเราม่มีความเป็นธรรมคนอื่นก็เกิดความเป็นธรรมได้ถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมโทษอื่นก็เป็นโทษได้เพรามันหลงหร่อไม่เป็นธรรมกับตัวเราความรู้เป็นธรรมกว่าความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อเรา ความไม่ทุกเป็นธรรมกลัวความโกรธเป็นเป็นธรรมต่อเราความไม่โกรธเป็นธรรมกลัวหาอย่างนี้ยสร้างธรรมะอย่างานี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จะใช่ตัวบทกฎหมายมบังคับมันก็ไม่จบไม่สิ้นจะมีคนติดคุกล้นคุกกัอยู่คนไม่เงินไม่ทองก็จะต้องตัดถิ้นจำคุก นี่เป็นเป็นอ่าเป็นความเป็นธรรมไม่อยู่นอยในหมู่มนุษย์เราแต่บางคนก็สร้างก่าเป็นไม่เป็นธรรมไม่เกิดขึ้นอาเรื่องจะเล่านิทานให้ฟังฟังไหมของก่รได้ยินกันมามากพอสมควรนิทานแล้งนี้มันมีมานานแล้วเช่นสุลาสัพมิต มาจากใครเคยได้ยินไหมนายพานสุละเราชื่อสุละเราเป็นพานล่าสัตว์หายิงสัตว์ป่าแต่ไปทุกครั้งทุกคราวสัตว์ป่าก็เงียบหายากก็จะล่าได้สักตัวหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เลยแต่มันนั่นเขาไปเสียงนกโลง่งเจียวเจียว ผ่านป่าเข้าไปจะไปยิงนกนกก็ร้องเป็นผงเป็นหมูหยอกล้อกันตีกันทุกครั้งที่ผ่านเข้าไปนกจะต้องวิ่งหนีแต่วันนั้นนกก็ไม่วิ่งมินไปไหนยังหยอกล้อก็ยังร้องรมทําเป็นกันอยู่เป็นผงเป็นผงก็ลอกก็แต่ก็ยังมีลีงข้างก็มีอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นตัาง ในพานสุระก็จิงเอาน ก, กเหยวกับโลกมาปิ้งนั่งกินอยู่แล้วก็นกก็ยังไม่หนีไปไหนอะไริงปกกิ้งนกแล้วเอ๊ะมันนกมันอะไรมันทำไมไม่หนีผิดปกติสังเกตไปสังเกตมา ม, มีน้ำอยู่ในคางโคกต้นไม้น้ำมันขังอยู่ นกไปกินลีข้างไปกินนอนเลื้ออล่อยู่อาจจะเป็นเพราะน้ำนี่หระมั้งตาไมมันสนุกสนานแบบนี้ไม้่านสชุละก็ขึ้นไปไปเอาน้ำเอากระบอกไปตักน้ำกินลองดูพอกินแล้วมันก็เมาใช่ไหมก็น้ำนั่นน่ะพวกนกพวกอะไรคาบพริกไทยดีปีอะไรมากินมาขับมาถ่ายเลย มันก็ถูกบักถูกแช่ก็เป็นสุล า, า, า, า, ายังไม่ได้ดองถ้าดองเรียว่าเมลัยถ้ายังไม่ดองไม่กันเรียกว่าสุลาสุลาไประยะมาชะได้ยินไหมถ้ายังไม่กั่นเรียกว่าเป็นสุลาถ้ากั่นแล้วเป็นเมลัยไอ้พรานสุระก็ไปมาจิน้นจิ้นแล้วก็เมาถือเปี๊ยกนกพ่อนอยู่คนเดียว สนุกสนานดีใ <c oughs> ครเห็นคนเมาเล่าไหมก็นายปราจระก็เมาแบบนั้นให้รูจะกลายก่อนอยู่คนเดียวในปา่าทุกดอกเอ๊ะมันสนุกกว่านี้นะน่าจะไปให้ใครน้อกินเป็นเพื่อนกันนะเลยคิดได้เลยกินจราเมา เ, มาเต็มที่กินน้ำหมักในขางโคกต้นมะกินละมันเมาคิดถึงพระเจ้าสพรมิตร ที่เป็นพระราชาเอาน่าจะาไปฝากพระราชาว่ามันสนุกสนานไปแ น, น่ไอพ้พานจระก็ตากาไปใส่กระบอกแต่ไปถวายพระเจ้าสมมิตธให้ดื่นน้ําด้วยกันพนระเจ้าสมมิตธก็พรานจระก็ประกาศน้ำอย่างนั้นนี้พระเจ้าสมมิตธก็เลยคิดอยากลองดูพานจระก่าวเชิงะมบุกน์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เห็นว่าควรจะเป็นพระลาชาสวยโกลนหกมันดีจึงคิดถึงพระองค์นำมาฝากพระเจ้าสมฤิ์กำลังจะดื่มพระนังเกิดเทพิดาหวันไหวผู้มีความถูกต้องเห็นว่าไม่ถูกต้องก็งถือขวดกระ บ, บอกหน้าเหมือนนายพันเอาไปถวายนะั่นถือขึ้นกับประกาศ น้ำนี่วิเศษจังเว้ยใครเดือดข้าไปเห็นการล่องลำทำแปลงแก้ผ้าไม่รู้จะกายน้ำนี่วิเศษจังเอ้ยใครเดือดข้าไปเมาแล้วปู่กับลกูกสะพ้ายกอดเชี่ยวพาราสีกันได้มันรู้จะกายน้ำนี่วิเศษจังเอ้ย ลูกเขยกับแม่ยายถ้าเดือลองไปสามงานสมู่กดเขี่ยวราศีกันไลยไม่รู้จักอ้ายน้ำนีพิเศษจึงเอ้ยถ้าเดืได้เมาลงไปแล้วไปบ้านก็ไม่รู้จักรักษาหน่งอนอนโยนโง่สนอนน้ำ น, นีพิเศษจังเอ้ยเห็นกันฆ่ากันตีกันเราเข้าฆ่าเข้าตีกันไม่รู้จักอ้าย นแต่พระทรงเจ้าก็่าได้ประชาชได้ฟังน่ยโอ้มันคุณของสลามันขนาดนี้เลยบอกให้ปล่อย้าประชาชนเอาน้ำไปฟังน่ลึกชั่วเจิดชั่วคนมันวิเศษขนาดนี้มันอันตรายจึงอาไปฟังไมพระเจ้าทมิษฟังไปแล้วได้ไดืมแล้ว แต่เราทุกวันนี้ยก็ยังมาดื่มกันอยู่ใช่มสับเปรี้มิตรคือขายแล้วเจ้าสัมิตรคือกรมสอบมิตรผู้เก็บภาษีขึ้นภาษีบังคับการขายเหล้าขายจริงเจ็บติดไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตอนตาเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนานมาแล้วแต่ก่อนขึ้นรถไป เดินทางไกลเวลายดจอดกินข้าวกางทางจะมีร้องเพลงเล่าจา๋าเล่าจา๋าเมียตายไม่เฉยได้ทโลหกต่อเนี้ยก็เอาลงรถเลยไม่กล้าลงรถเลยเรียกร้องไปยังรั้คู่ใหญ่ว่าเพลงนี้ทำไมมาเปิดสานานการณนี้ไม่สมควรมันเล่า ศาสนาเราสอนให้คนฉินเล่ามีศินสมาธิปัญญาแล้วก็ยังฉินกันอยู่ตอนนี้ก็ยังเอามาอยู่เพราะเราจึงมีแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมารับผิดชอบตัวเองปฏิบัติธรรมแน่วันจะลื่อความชั่วออกให้มันฑิตนินทาไม่ต้องกลัวให้มีสินเสริญไม่ต้องกลัวสุกทุกคนต้องกลัวลุยมันเลย เข้มแข็งในความอ่อนเรงอย่ายอมแพ้จะให้อารมณ์ผ่อนผิวปล่ยปฏิบัติทําต้องผ่านจริงเหล่านี้มันโกรธผ่านความโกรธได้ทุกครั้งมันทุกผ่านความทุกได้ทุกครั้งมัน้องผ่านความหลงได้ทุกครั้งมันจะแจกกล้าขึ้นมาง่ายๆ ย, ยิ้มๆถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ไปไม่รอด เสียชาติดองจนตายทุกจนตายไม่ใช่ชีวิตของเราเราจึงต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่ในเรานี่แหละให้มันผ่านผ่านลองเป็นรูปผ่านทุกเป็นทุกเนี่ยตายเป็นชีตังเมชนะชนะตัวเองในเป็นชนะบัตเสดอย่นีเน้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเราจะมาเรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติ ไอ้คนสละสิทยอมความโกรธยอมทุกข์ยอมทําชั่วไม่กล้าทาความดีมันมีที่ไหนเสียชา ต, ตนอนยาไปฏิเส ธ, ธเรื่องนี้กันต้องรับผิดชอบชีวิตของตนทุกคนถ้าไม่รับผิดชอบก็เป็นโทษต่อตัวองและคนอื่นได้จำเป็นมากๆนี่แหละคือบุญ บนร้างบนบุญอันนี้ที่เกิดคนดีขึ้นมาครอบจวนโลกถ้าคนไม่ดีก็เป็นบาปต่อโลกเราจึงมาช่วยกันมาสอนมาบอกมาบอกมาเล่าให้กันฟังมาดูให้เห็นกับตาให้เห็นได้ยินกับหูที่เราได้ยินเรามาทำดูตอนเรามาเห็น เฉ็นแล้วก็แย่เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์อย่างนี้เอาน่าสนุกนะเรื่องนี้นะไม่ใช่เบื่อหน่ายนะฉันท่าอใจปราลบความเพียรเล้นเจนอนมากนักฉันท่าไปไปทีวิยาลาปฏิจิตังปรการนาติปรการนาติฉันทาริยะจิตะวิมังสาทําให้สําเร็จ ทำที่ทำให้สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จถ้ามีหลักทรรมสี่ข้อนี้สนราพอใจในการกระทําเพียรประกอบอยู่เสมอเอาใจใส่อยู่เสมอดูหน้าดูหลังให้ดีมันหลงกับวามรู้วอะไรเป็นผิดแต่ว่าวิมังสาเกยบเขี่ยวยู่อย่าเป็นเอาท้งหมดเานกินผลไม้ทั้งเปลือก กินมังคุดเนี่ยจะต้องกินั้แต่เนื้อในมันเปลือกอย่าไปกินมันขมชีวิตของเราก็เหมือนกันเลือกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้หาเลือกตัวธรรมวิจยะตอดซองก็รับไปบางทีก็ปฏิเสธเห็นแช้งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เปจากแต่ว่าอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนในแต่อาหารที่เราฉันแต่ก่อนเป็นเนนอ่ะถ้าเรียนยถาปยังไม่ได้ตายเป็นควยตู้กลัวควยตู้ไม่อยากตายเป็นควยตู้ควยตู้มันเกิดลายไปไถดนาให้เขาก็าไม่ได้ยถาปยังเวลาใดเนนตีกอง เสงกองจะร่องว่ายะถาปัจจยังยะถาปัจจยังเพราะมันเป็นขวอยตู้มันเป็นเนนมันไม่ท่องไม่ท่องยถาปัจจยังเวลาไปบิณฑบาตต้องว่ายะถาปัจจยังใหม่ๆยะปัจจะยังวตามงธาตมตไมเวตังกทังปะตะปะตะปะตจตุโโตโชครติโตติโโโโตติไม่ใช่มองดูคนใส่บาตรนะ พระหนุ่มแนน้อยไปที่เห็นหญิงสาวใส่บาตทองหน้าเขามันมันเป็นบาปแล้วต้องงองเป็นยะถาเปจังปวัตตมานังผู้รับบิณฑบาตก็จักวา่าธตผู้ใส่บาตก็จักว่าธาตุตำหนัาตเช้านั้นอาหารที่เขาใส่มานี่เป็นของบริสุทธิ์มาแต่เดินอยู่แต่มาถูกกับเราแล้วเป็นเน่าอยู่เป็นนิดเป็นของนายเกียดอย่างยิ่งไปด้วยกันใช่ไหม อ่าเพราะนันก็จะถาปัจจัยอย่างนั้นจะไม่หลงอ่าเราจะไปหลงมันหิวมันอร่อยมันเป็นจังวาธาตุเห็นมันลูกมันเหนือมันอย่างเนี้ยันก็ดีนะไปเบียบต่างๆไม่ในต่างๆแต่ว่าเราเป็นเถ็นตรงอาจจะไม่รู้ว่าเอาพิธีรีตองเป็นจิระพุทธาบางคนถกับ เอาข้ามาเสกยาถทาปัจจวังพวัตกรรงานลังทาตรงกระดุกออกมาจิ้นข้าว น, นั้นไม่ใช่นะต้องให้มันเห็นภายในใจของเราจังมีนะล่องตาเจี๊บๆบางกองจับกันมาทาไปทั้งปวงตู๊กออมาจินข้าวไม่ใช่ศีลพจน์แปลกานภายในถึงใจเราเนี้ยให้มันอย่าเห็นเป็นตัวเป็นตนมากนัก อันนี้เราว่าไม่เป็นบาปอย่าหลงมันหลงได้ทุกกรณีนะในชีวิตของเราิวก็หลงอิ่มก็หลงลดดีก็หลงลดไปดีก็หลงอันชอบไม่ชอบละ่ะคือตัวหลงจะเหกันทีแรกเลยถอนความพอใจและความเมาใจในโลกออกเสียได้ถอนออกมาเห็นมันเห็นมันไนงะ มันจะไปอย่างงดงามถ้าเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่พอใจมันก็ไปเฉยไม่ได้ยังอยู่ในหลักเต่าอยู่เกิดมามืดก็ไปมืดถ้าเกิดมามืดไปสว่างเห็นหลงเป็นรูปไปมันสว่างไปข้างหน้าไป